ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายเป็นรู้ว่าวันนี้ก็มาพบกับบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทในเรื่องราวของพระเวสสันดรต่อไปสําหรับเสียงบรรดาญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายเจะเห็นว่ามันเคลือไปก็โปรดทราบว่ากาลังเป็นหวัดมากเมื่อเล่ า, ราเรื่องของท่านต่อไปว่า เมื่อพระ น, นามสัสสีเห็นพระเวสสันดรได้ตรัตจากพระอินท์ว่าพร้อมที่จะยกพระ น, นามัสสีให้เป็นทานทั้งนี้ก็พระองค์เห็นแก่พระโพธิญาณเป็นสําคัญแล้วก็มองหน้าพระ น, นามสัสสีจะดูว่าพระ น, นามัสสีนี่จะมีความรู้สึกยังไง แต่พระนามสซีก็ได้กราบทูลไปว่าทําไมพระองค์จึงได้เพ่งม่อมฉันแบบนี้ก็ <c oughs> ว่ามอมฉันนี้เป็นพัญญาพระองค์จะซื้อจะขายก็ได้หรือว่าจะฆ่าให้ตายก็สามารถจะทําได้เพราะว่ามอมฉันเป็นของพระเป็นสมบัติของพระองค์ เป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปก็ขอต่อตอนนั้นเลยเพื่อบันดาท่านพุทธบริษัทหลายจะได้ไม่ํำคาญแต่ว่าวันก่อนรู้สึกว่าจะํำคาญตอนท้ายสนิดเนี่ยที่ไปเสกิจใจท่านนักราชเข้าแต่มันก็จำเป็นบรรดาญาติโยมพุทธบริษัท <c oughs> เมื่อท่านทั้งหลายเหล่านั้นสามารถจะจ้วงโจ้วงจับจมตีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เขาทั้งหลายเหล่านั้นอาศัยสีผ้ า, ากาลสาวพัตอันเป็นศาสนาขององค์สมเด็จพระทรง์รสวัตรีโสภาตตั้งตนเป็นปูชนียบุคคลแต่เราสามารถมาทำลายความดีขององค์สมเด็จพระทศพล อย่างนี้จะมาถือว่ามีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพูดสมดดาแท่พุทธบริษัทชายจิงทราบว่านักบวชในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทประเภทดีนะดีเนี่ยมีอยู่สี่ประเภทหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิโชสามฉลพิญโยสี่ปิสัมมิทัปโต สำหรับสุขวิปัสสโกจริจงๆบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทชายหญิงถึงแม้ว่าท่านจะไม่เห็นอะไรท่านก็ไม่ท่านก็ไม่โจ่งจาาองค์สมเด็จพระจอมไตรปรมาศาสดาเพราะว่าท่านเป็นพระอรีย์เจ้าเอานี้ก็แล้วกันนะเขาไม่เห็นผีไม่เห็นที่บรรดาไม่เห็นนรกไม่เห็นสวรรค์ แต่ว่าทุกท่านก็มีความมั่นใจว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสนาตรัสจริงทั้งนี้เพราะว่าท่านงหลายแล้วนั้นตัดกิเหล็ไปสมททบทเฉตประหารคนที่จะโจมจับองค์สมเด็จพระวิชิตามารบริมสาสนานั่นก็หมายความว่าเป็นคนตาบอดจริงจริงไม่ใช่หลับตาแล้วก็ภาพดำโขกตาเด้นไปในที่มืด เป็นคนที่ไร้ประสาท ต, ตาไร้ประสาทใจไร้ประสาทปัญญาจริงๆเมื่อบวตเข้ามาในพระพุทธศาสนากฎแห่งการปฏิบัติสามราการคือหนึ่งอาทิศีนสิกขานักษาศีลในการเคร่งขัดสองอาทิจิตสิกขาสา ม, มารถทำฌานสมาบัติให้มันเกิดขึ้นแล้วก็สามอาทิปัญญาสิกขา ใช้ปัญญาตะกิเลตให้เป็นสมุทเทตระหารท่านคงไม่ได้ทำอะไรเลย <c oughs> ถ้าทำอะไรได้จริงๆเป็นแค่มีกำลังใจทึงชาญโลกีทั้ง น, นี้ก็จะเห็นว่าคำสอนขององค์สมเด็จพระจินทร์ีบรมศาสนดาสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้มีอะไรเพ้อเจือเหลวไหลจบริการใดเลยเอะแล้วมาเล่าเข้าเรื่องสมัย อ บ, บดานับนบัตนั้นท้าโกศีสกฐิว ร, ราชก็ทรงไปจักในพระราชอธิยาสัยอันเป็นปรานีของทั้งสองกษัตริย์ยิงได้ทรงตรัสสรรเสริญพระเกียรติคุณของพระเวสสันดรด้วยและก็คำว่านามวสีด้วยเป็นอันมากพระยิ่งได้ตรัสว่าถวยเทพทุกสวงสวรรค์ จะพากันสาธุการว่าพราะองค์ได้ ท, ง ท, งทรงทําสิ่งที่ใครๆสามารถจะทําได้โดยยากความจริงก็ไม่น่าีะบอกว่าทาได้โดยยากถ้ากล่าวว่ายากที่จะทําได้ดีไม่ดีเท่าฆ่ากันตายเพร่ะยมียที่จะกล่าวต่อว่าการเสียสละเช่นนี้คนไม่ดีทําตามไม่ได้ เนี่ยส่งชมทั้งพระเวสสันดรว่าสามารถทําได้ในสิ่งที่คนอื่นทําไม่ได้แล้วก็ชมพระนางมัณศีว่าถ้าคนไม่ดีเนี่ยเจ้าจะปฏิบัติตามไม่ได้เพราะว่าทางของคนดีนั้นคนไม่ดีตามได้ยากทีตอนนี้ก็มาดูว่าไอ้ทางของคนดีนั้คนไม่ดีตามได้ยาก กระหม่อมก็องสมเด็จพระผู้มีพระภา่ายเจ้าตรัสว่าเทวดามีจริงพร ม, มีจริงนรกมีจริงเปรตมีจริงอสุรกายมีจริงร้านิพพานเป็นของจริงไม่ใช่ของศูนย์แต่ว่าเขาก็ต้านทานกันนั่นหมายถึงคนไม่ดีเพราะฉะนั้นคนดีกับคนไม่ดีอ่า็้ามาอย่างนั้นนะคนดีกับคนไม่ดีจึงได้รับผลต่างกันคือไม่เสมอกัน อย่างการคนดีเขาเชื่อพระพุทธเจา้าเขาก็ปฏิบัติตามพระพุทธเจา้าก็ทรสงสินให้บริสุทธิ์ทำฌานสมาบัติให้เกิดทาจิตให้ตากินเลือไสมุติเฉดอะระหารเขาก็เห็นผีเห็นเทวดาเห็นนรกเห็นสวรรค์แต่สำหรับคนไม่ดีนั้นก็บทอาศัยพระพุทธศาสนากินเอาผ้ากาสาพัเป็นธงชัยของอรหรัน ไปหลอกลวงบรรดาชาวบ้านที่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าเอาว่ากันอย่างนี้ดีกว่ามันชัดดีแล้วพระอินทร์ยังได้ตัดว่าตัดดังต่อไปนี้ว่างั้นมาตัดไปแล้วนะก็ทรงดาริว่าเราไม่ควรจะอยู่ช้าแล้วจีน่นี้ตัดต่อไปว่าเทวะฆ่าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐตอนนี้ท่านเป็นพรามที่อินท่านแปลงเป็นพราหมณ์มานี่นะ แต่ว่าพระเวสสันนอนจะรู้ว่าพระฟรามแก่คนนี้ไปพระอินทร์หรือไม่อาจจะมาไม่สักั้งแต่วา่าพระเจ้ารับมัตสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจา้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเวลานี้พระนามัสีเป็นสมบัติของข้าพระพุทธเจา้าแล้วแต่ถ้าว่าข้าพระพุทธเจา้าเป็นคนแก่แลดูพระนามัตสีนี่ยาสาวจัด ถ้ายันนำไปเป็นพัญญาของข้าพุทธเจ้าก็รู้สึกว่าวัยต่างกันไปมากยากที่จะอยู่ด้วยกันให้มีความสุขถ้าพุทธเจ้าอาจจะสุขใจแต่กายมันก็เป็นทุกข์เเป็นคนแก่ละบริการมัททีสองท่านนางมาทัททีนี่เราก็ยังเป็นสาวเป็นคนคู่บุญบา ร, รมีของโองมาแต่ในการก่อน เจ้าั้งข้าพระพุทธเจ้าขอรับพระนางวัดสีนี้ไว้เป็นสมบัติของขพระเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปแต่ถ้าว่าแต่ข้าพุทธเจ้าจะนำนำพระนามาสีไปเห็นว่าไม่สมควรเจ้านั้งข้าพระเจ้าขอถาวายพระนามาสีนี้ไว้แก่พระองค์ไม่ได้ถาวายคืนถาวายไว้แก่พระองค์ พระองค์มีพระราชประสงค์สิ่งใดก็ให้เป็นไปได้ตามเดมิมคือต้องการพระนามาสีเป็นไปเหสีตามเดมิมก็เป็นได้ถ้าจะใช้พระนามาสีพระประโยชน์อะไรก็ได้แต่ว่าถ้ามีบุคคลใดจะมาขอพระนามาสีนี้ให้ไม่ได้เพราะพระนามสีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าถ้าจะให้แก่ใครเมื่อไรต้องตามข้าพระพุทธเจ้ามาก่อน ถ้าข้าพระพุทธเจ้าไม่อนุญาตพระองค์จะให้แก่คนอื่นไม่ได้เพราะว่านางมัสยีไปสมบัติของข้าพระพุทธเจา้าท่านก็กล่าวต่อไปว่าขอจงขอท่านทั้งสองจงเป็นคู่บุญบารมีกันไปจนถึงที่สุดแห่งชีวิตเถิดหมายความว่าข้าพระเจ้าจะไม่มาขอพระนางมัสีไป แต่ก็จะถือสิทธิว่าพระนาเมซีเป็นของข้าพระพุทธเจ้าฉะนั้นข้าพระเจ้าเวลานี้ถือว่าเป็นเจ้าของมีสิทธิเหมือนกับเป็นบิดาของพนาเมสีฉะนั้นเราจะให้พนาเมซีใครไปนี่ต้องขออนุญาตก่อนนี่เป็นอันว่าท่านกล่าวว่าพระอินไปทูลเชิญท่านมาถ้านอิงก็มาเด็ดมาเด็ดถอดทิ้ง พิ์กล่าวดังนี้แล้วยิงได้สแสดงตนให้ทราบว่าข้าพระุทธเจ้าไม่ใช่พรามข้าพระุทธเจ้านี่คือท้าโกศีสกเทวราชที่เขาเรียกกันว่าพระอินหลังจากนั้นพรามก็กลายเป็นพระอินขึ้นมาทันทีมีรูปร่างหน้าตาสวยสง่าราศีมีรสมีกายเปล่งออก บอกชัดว่าท่านคืพระอินทแน่และก็ยินดีท่นานนี้กล่าวตรัว่านี่ข้าพเจ้าคือท้าวโกศีสกัจเทวราชคือพระอินทนะอย่าลืมว่าพันนางมัสสีเวลานี้นะเป็นสมบัติของพระอินแล้วขอพระทูนกระหม่อมแก้วถ้าจะทำอะไรลงไปกับพันนางมัสี ในเรื่องหัทางไม่ดีคือย้ายบรรณามัสีเป็นฐานก็ตามจะให้ไปอยู์กับใครนั้นไม่ได้เพราะนางมสีเป็นสมบัติของข้าพระเจ้าแต่ข้าพระเจ้าขอมอบให้เป็นภารกิจคพระองค์ที่จะมีพระนามัสีไว้ปฏิบัติออหาามมให้มีความสุขในเรื่องการบำเพ็ญเนขธรรมบารมีในรายการหนึ่งข้พนนข า, า, ขาพรเจ้าก็มีความยินดี ที่จะประสาทอรให้สมความปรารถนาท่านต้องการอะไรจงบอกมาคอยเลือกมาเสนอขึ้นมาเถิดจะเอาแบบไหนก็ได้ข้าพระพุทธเจ้าจะให้ทุกรเรือการเพราะท้งนี้พระน่อง อ, องสมเด็จพระพิตรามีความดีเกินกว่ามนุษย์ธรรมดา ที่ไม่คล้ายคลานความรู้สึกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในก า, ากรก่อนๆองค์สมเด็จพระจินวรทุกองค์ตัดว่าทุกคนต่อไปในโลกนี้คนดีจะมีไม่ขาดคือบุคคลประเภทนั้นได้แก่บุคคลที่ปรารถนาพระโพธิญาณเป็นนั้นว่าแม้เระเวทสันดรในโสสนดับอย่างนั้น พระเวสส้นดอนก็นดีพระนางมสศีก็ดีฟังแล้วก็ชื่นใจมากว่าตนคนก่อนนะฟังคนแก่พูดก็ชื่นใจต่างคนต่างก็มีความยินดีพีดาแต่ตอนที่มาคนแก่กลายเป็นพระอินก็ยิ่งชื่นใจใหญ่ทั้งสองท่านก็นลุกขึ้นถวายนัสการแสแดงความเคารพหน้าพระอินดีใจมาก <c oughs> หลังจากนั้นมาพระเวสสันดรและพระนาวาสีได้สรรเสริสรดับด้วยความดีใจแล้วจึงสเสนอขอประทานพรแปดประการด้วยกันแต่ะการขอประทานพรนี้พระอิพระเวสสันดรเป็นคนขอพอรที่หนึ่งที่โรงขอกพอระเพีย์ได้แก่นหนึ่งขอพระราชวิดาทรงอภัยโทษ แต่รับให้กลับไปครองราชสมบัติตามเดิมพระอิน์ก็บอกว่าพรข้อที่หนึ่งข้าพระติจ้ารับว่าจะบันดาลให้เป็นไปตามนั้นข้อที่สองขอพระองค์อย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคนคําว่าพระองค์นี่หมายถึงพระราชวิดาติว่าอย่ามีจิตคิดพอใจในการฆ่าคน ไม่ได้ว่าคนนั้นจะมีโทษผิดเพียงใดก็ตามพระอิน์ก็ขอรับว่าพร น, นี้ข้าพระเจ้าขอประทานให้ข้อที่สามท่าขออย่างนี้ก็ <c oughs> ขอให้พระราชวิดาจงเป็นที่พึ่งของบรรดาประชาชนทุกทนนาพระอิน์ก็ทรงพระราชทานแต่ขอต่อไปว่าขออย่าให้พระราชวิดาประพฤติผิดในประเพณี รู้อำนาจแกบันดาสตรีทั้งปวงพระอิน์ก็ทรงรับว่าอันนี้ก็ได้ข้อที่ห้าทรงขอต่อไปว่าขอให้บทที่รพัดผ้าจากกับไปนั้นมีอายุยืนนานและได้กลับมาครองราชยบต่อไปพระอินทรงยิ้มทรงยิ้มว่าข้อนั้นเป็นของไม่ยากข้าพระพุทธเจ้าขอประทานให้ ข้อที่หกพระองค์ขอตอบไปว่าขอให้อาหารอันเป็นทิพย์จงบังเกิดมีนับตั้งแต่วันที่ข้าพระพุทองค์ข้าพระองค์กลับก็โศกนครไปอิงก็สมบทานพอมข้อนี้ไม่ยากข้าพระเจ้าให้ข้อที่เจ็ดพระเวสสัดนี้ขอตอบไปว่าขอให้ได้โอกาสบริจาคทานสิ่งทองทั้งปวง ไอ้ของที่ย้ายทานนี้ให้สามาจะให้ใหาาใหได้ไม่มีการหมดไม่มีการสิ้นเป็นนั้นว่าแล้วก็ขอให้จิตใจจงเกิดความไม่เกิดความเสียดายไงไม่คอยให้ไปแล้วความเสียดายในภายหลังจงอย่าบังเกิดมีในข้อนี้พระอิน์ก็สมบประทานผ่อนเมื่อข้อข้อนี้ข้าพเจ้าก็ขอขอให้สัญญาว่าคอยเป็นไปตามนั้น นี่พรที่แปดที่พระเวสสันดรต้องการก็ขอให้สัตเ ก, กิดเขสู่สวรรค์นะครับเมื่อเวลาตายเข้าไปสู่สวรรค์ชั้นดุสิตตามลาดับจงกว่าจะบรรลุสมเร็จพระสัมมาสักกสมโพธิญาณไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารต่อไปอีกนี่หมายความว่าชาตินี้ถ้าตายไปแล้วนะ ขอไปอยู่สวรรค์ชั้นฤาษิและก็ไม่ทำไมกเกิดเป็นมนุษย์อีกจงกว่าจะถึงวาระทรีจ่จะบรรลุอบิเศษส ม, มาสมัมโพธิญานชาตินั้นจึงจะมาเกิดเป็นคนพระอินทร์ก็ยิม้มแล้วก็ตรัว่าข้อนี้ก็ขอรับเช่นเดียวพระเจ้าค่ะเป็นนั้นว่าเมาื่อพระอินทร์ได้ทรงสันดับแล้วก็ทรงรับรองว่า พรทั้งแปดระการที่พระองค์ทรงขอมานีข้าพระพุทธเจ้าขอรับประวระเมือ่อพรนี้จะส ม, มิทธิผลแก่พระองค์ทุกอย่างตามที่ต้องการในกร็รทรงตัดประวัติในไม่ช้าพระราชบิดาก็จะเสะด็จมาที่นี่ขออวยพรให้ท่านจงสําเร็จสมความปรารถนาตามที่ต้องการจงทุกประการเถิด แล้วพระอินทร์ก็อํมลาพระเวสสันดรและพระนามสีเสด็จหายเป็นอากาศตอนนี้ตามพระบาลีท่านบอกว่าจบการสกบับสกบับเป็นกัรที่เกี่ยวเนื่องกับพระอินทร์ต่อมาท่านบอกว่าเป็นการมหาราชการมหาราชนี้ก็น่ากลัวจะเป็นกันของใครนะก็พระราชวิดาเป็นว่าเมือ่อตาทาตา เท่าชูชกท่าสองกุมารเดินทางทุรกันดารมารวมระยะทางได้ประมาณหกสิบโยน์ธรรมดาเทวดาทั้งหลายได้เฝ้าอภิบาลพระกุมารทั้งสองตลอดทางเวลาที่พระอาทิตตกตาชูชกกระโูกสองกุมารไว้ที่ก่อไม้ใช่ไหม แกผู้สองกุมารไว้ที่คนไม้ส่วนแต่ตัวแกขึ้นไปผูกเปลนนอนอยู่บนข้าคบไม้ดูสิมเม่ละเสือจะกินตายสัตว์จกินตายใจสูช่ชกไม่แปลกเพราะเกรงแกก็เกรงภัยอันตรายจะมีกับแกแต่้ว่าทุกราตรีที่เวลาทลงคืนนะะทุกคืนนี่เรื่องของเทวดานะ เวลากลางคืนทุกคืนก็มีเทพพระบทองหนึ่งจำแรงแปลงตัวมาเป็นพระเวสรดรแล้วก็มีนางเทพพยาย อ, องหนึ่งแปลงตัวมาเป็นพระนางมั ส, สีมาถึงก็แก้เชียกพระกุมารทั้งสองออกแล้วก็บริกรรมมีการบีบมีการโนดมีการประบรมผู้ทห้ชื่นใจ ให้ทรงสงนิทหนาให้าอาบน้ำชำระร่างกายแล้วเอาอาหารทิ่ให้เสวยที่มีรสเลิศนี่ดูดูตอนนี้บรรดาญาโยามพุทธบริษัทขึ้นเชื่อว่าความดีของคนก็ต้องเป็นความดีใช่ไหมท่าแน่สองนี้ที่ต้องโทษทุกข์ทรมานก็เพราะว่าเป็นกฎของกรรมเดิม ในชาติก่อนท่านเป็นเด็กแล้วก็ชูชกเป็นควายหวังว่าบรรดา ญ, ญาโยมทั้งหลายคงจำได้ได้เจ้าควายแก่เนี่ยไม่กินข้าวกล้าเมื่อบิดามันดาดูวาบ่อยๆท่านก็จับควายแก่เข้ามามัดผูกกับต้นไม้แล้วก็ขึงกวตีนี่ตอนนี้กรรมมันเข้ามาสนองคือชูควายตัวนั้นก็มาเกิดเป็นชูชก เด็กทั้งสองคนลูกชาวนาก็มาเกิดเป็นกัญหาและชาลีนี่ตอนนี้ถ้าเราจะไปโทษชูชกว่าแก่ใจร้ายมันก็ร้ายไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าเป็นเรื่องของอดีตกรรมกรรมในอดีตที่ส่งผลมาให้คนทั้งสามมาเข้ามาพบ ก, กันกรรมนั้นก็บันดาลให้ชูชกกลายเป็นคนดุร้าย และก็กุมานั้นสองเต่มเป็นลูกของมหาศัตว์กลับมาต้องทุกข์ทรมาณอย่างไรมนุษยธรรมคือคนธรรมดาธรรมดาในะเขาทำไม่ได้แต่โชโชกทำได้ตอนนี้เขมบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทนั้นหลายฟังไปแล้วก็จงคิดไว้ด้วยนะว่ากรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดี ย่อมให้ผลเป็นเศษจกเราทั้งสองอย่างในสมัยที่เกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราไปเกิดในใบยภูมคือเป็นสัตว์นรกก็ดีเป็นเปลกก็ดีเป็นสุรกายก็ดีเป็นสัตว์เลยสัก็ดีกรรมทั้งสองรายการนี้ย่อมให้ผลย่อตามให้ผลเพียงแค่อย่างเดียวคือกรรมที่เป็นอโศลให้ผลเป็นทุกข์หาความสุขจริงไม่ได้ อันนี้มากรรมอีประเภทหนึ่งกรรมที่เป็นกุศลก็ให้ผลเป็นสุขอย่างเดียวในสมัยที่เราเกิดเป็นเทวดาได้เป็นพรได้ปานิพาน <c oughs> แต่เวลาที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์นั้นเสกกรรมทั้งสองรายการให้ผลทั้งสองอย่างบางครั้งกรรมที่เป็นกุศลให้ผลเราก็มีอารมณ์ใจเป็นสุขทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีแต่ความปลอดโปร่งด้วยการทั้งพวง แต่ขณะใดากรรมที่เป็นอกุศลให้ผลก็มีผลเป็นทุกข์อย่างท่านกันหาแลชาลีทั้งสองเกิดเป็นลูกกริสับเพราะคำรรที่เป็นอกุศลให้ผลตามเดียวงสมเด็จพระทศพลบรมศาสนาตรัสว่าในเรื่องราวของพระนมิราชว่าบุคคลที่จะเกิดเป็นกษัระสับได้เพราะอาศัยภูมจันทร์อย่างอ่อน คนที่เกิดเป็นเทวดาหรือพรหมได้ก็เพราะอาศัยพรหมจันทร์อย่างกลางคนที่จะไปนิพพานได้ก็เพราะอาศัยพรหมจันทร์อย่างละเอียดที่สูงสุดนี่เป็นน้ว่าท่านทั้งสองคือกัญหาลชาลีท่านมาเป็นลูกของกษัตริย์ได้ก็เพราะความดีที่เคยทรงบำเพ็ญพรหมจันทร์ในกาลนัสสาวมบสถตตสิน มาเป็นลูกของบริษัทจัดว่าเป็นคนชั้นสูงมีบุญญาธิการมากแต่ขนาดนั้นเดียวขนาดนั้นนั่นเองไอ้กรรมที่เป็นอกุศลที่ตีควายก็มาโดนใจให้ควายที่มาเกิดมาเป็นคนกลับมาแก้แค้นนี่ระบรรดาท่านพูบริษัทฟังไปแล้วก็นึกถึงเรื่องนี้มาด้วย เป็นน่ะว่าขณะที่กรรมที่เป็นอกุศลให้ผลนี่ยกรรมที่เป็นกุศลก็พร้อมที่จะมาทนุถน อ, นอมเช่นเดียวกันคือว่าเป็นเหตุให้เทวดา อ, องค์ห น, นึอองนงนนน่งกับนางเทพธิดาคนหนึ่งองค์หนึ่งแปลงเป็นพระเวสสันดรแล้วก็แปลงไปเป็นนางมัท ส, สีแมาแก้เชีย่ยออกในขณะที่ชูชกขึ้น ม, มาป็นยอดไม้แล้ว แล้วก็ทำการนวดความนวดควันขั้นบาทาแล้วก็ยายาบรรดาให้ความเจ็บทั้งหลายที่มีในกายยาที่ถูกชูชกมัดกระสุดกระชาติลากเอาไปให้ข้อมือทั้งสองมันก็ไม่ไหวแขนทั้งสองก็ไม่ไหวถ้าเดินไม่ทันใจตาชูชกกันกต็ตีร่างกายทั้งเจ็บทั้งแตกทั้งบวม แต่ก็เป็นอันว่าอาศัยอนุภาพของเทวดาและนางเทพธีดา น, นี้สา ม, มารถให้ทำบ่ทำให้ระโบรกกยของสองผ ม, มานดีตามปกติและก็คิดว่าคงจะดีต่อไปนั่นคือวันเวลาใ ด, ดาชช ท, ที่ถูกตาชโชกเกตีความเจ็บปวดประเภทนี้จะต้องไม่มีกับท่านสองประเทศเทดาคอยรักษา เล้ากันต่อไปว่าท่านมาบริการโนดฟันขั้นบาทานแล้วก็ให้ส่งน้ำชำระร่างกายเสเวยอาหารอันเป็นทิพย์ที่มีรสเลิศสำหรับอาหารอันเป็นทิพย์นี้เสเวยครั้งเดียวก็สามารถจะอิ่มไปได้ตลอดตลอดวันน้ำท่าก็ไม่อยากปุดจา ร, ระปัสวะมันก็ไม่ปวด ในก็ความหอยหิวก็ไม่ปรากฏมีนี่ได้ความสดชื่นสำหรับเรื่องอาหารทิพนีบรรดาท่านพุทธบริษัทอาตมาก็ขอยืนยันว่าเป็นเรื่องจริงทั้ง <c> น <oughs> ี้เพราอะไรเพราว่านี่ไม่ใช่เรื่องฌานสมาบัติเป็นเรื่องปกติธรรมดาของบุคคลที่เคยปฏิบัติทูดงอยู่ในป่าลึก ทุกท่านจะต้องมีกิตประสบเหมือนกันนั่นคือในสถานที่นั้นไม่มีอะไรทั้งหมดเราก็ไม่มีคนจะบินบาบไม่มีอาหารจะบริโภคก็ต้องอาศัยต้นไม้คําว่าอาศัยต้นไม้ก็คืออาศัยรูปเทวดาไปบินบาบถา้าวันไหนใจเราไม่ดีเทวดาเขาก็ไม่ให้กิน พอใจดีขึ้นมาเมื่อไรที่บรรดาก็ให้กินมานั้นตอนนี้ละบรรดาท่านพุทธมรรส ท, ทุกท่านก็ปรากฏว่าาเมื่อในเมื่อเราเอาอาหารทิพมาใส่บาตรจะมากก็ตามจะน้อยก็ตามปรากฏว่าฉันเข้าไปมันพอดีพอดีเสมอเมื่อฉันเข้าไแล้วก็มีแต่ความสดชื่นเบิกบานตลอดวัน น้ำธาตมันก็ไม่เคยยากจะดินมมีความสดชื่นดีกว่าอาหารธรรมดาเป็นน้อเอาอัมานอวันทั้งวันในการรู้สึกว่าเราจะขาดอาหารนี่มันไม่มีนี่อาหารทย์มันเป็นอย่างนี้ธรรดาญาติโยมพุทธบริษัทเอาคุยกันต่อไปว่าหลังจากให้บริโภคอาหารไม่ลดเลยแล้ว เทวดาทั้งสองที่แปลงเป็นพระเวสสันดรและพระนางมัสีนะก็ประดับวรดาเครื่องตกแต่งให้สวยสดุงามและให้บรรทมเหนืออาสนะอันนุ่มนวลและจงกระทั่งลุ่งสว่างเทวดาทั้งสองก็กลับไปที่อยู่หายไปตามเดิมตามแล้วก็เสาวันมาผูกไว้เหมือนกับที่ตาชูชกผูกไว้ก่อน ถ้าบอกว่ากลางวันเป็นของเขานะลูกนะกลางคืนเป็นของพ่อและของแม่ที่เมื่อเทวันดาหายไปพระกุ ม, มารทั้งสนี้ประศัจกจิ์ภัยพิบัติทุกประกันขันสว่างตาตาจูชกกันสว่างแล้วตายูชกก็ลงจ่ายผลไม้ถวายน้ําและไม้สีฟันก็นทั้งสองกุ ม, มารแล้วให้เสวยผลไม้ตามที่หาได้ ราวนั้นชูชกพาสงฆ์ ม, มาณทั้งสองไปก็มาลึลู้ถึงทางสองแพ่งทางหนึ่งไปเมืองกริงครัตอีกทางหนึ่งไปเมืองเชคุดรตาชูชกจะไปเมืองกริงคารัตแต่ว่าเทวดาดนใจให้ท่า้เข้าใจทางผิดไปกายก็เลี้ยวตัดทางไปทางทางเมืองเชคุดรพอล่วงเวลา ครึ่งเลี้งก็มรลุถึงชาห์มณฑลเป็นอนวัตตอนท่านีรีบนิดบรรดาเาพพุทธบริษัทเพลงว่าจะไม่เข้าจุดเป็นอนาวัตในตอนนี้ก็เป็นหมดเวลาเสียแล้วนิบรรดาเาพพุทธบริษัทเข้าเขติ้งชาหเมืองเชยคนดอนแล้วตอนนี้เป็นมณฑลของพระเจ้าปูจะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงต่อไปข้บรรดาเาพพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังในวันลัง สำหรับวันนี้หมดเวลาสิ้นแล้วขอลากรขอบมันดาสาวกขงคงสมเด็ปจปัินาวรทุกท่านจึงมีแต่ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์พูิ่นหากพึงไปสคงสิ่งใดก็ค่อยได้สิ่งนั้นสงความปรารถนาจงทุกประการสวัสดี